ยังท่องแสดงวิธีการแสดงอาบัตไม่ได้ก็ใส่ใจสักหน่อยนะแล้วก็พร้อมๆกันก็พยายามท่องคําอธิษฐานภาษาก็ไม่ยาวหรอกคำอธิษฐานภาษาหน่อยเดียวแต่ถึงยังไงถ้าไม่ท่องมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะถึงจะน้อยก็ไม่ได้ท่องมันก็ไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องท่องสาธยายด้วยวิธีการแสดงอาบัต ย่าให้ขาดตกบกพ้องเวลาวันพุ่งนี้แห ะ, ะแสดงอบัตลงอุโบสถในวันพุ่งนี้นะห้าโมงเย็นเวลาห้าโมงเย็นเราพร้อมกันอุโบสถบอกกันให้ทั่วถึงอย่บอกเดี๋ยวนี้่ะอย่าให้หมูได้คอยตัวเองให้มาก่อนพระน้อยพระหนุ่มวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหมิถุนายนพุทธศักราชสองพห้า 157หดวันนี้เป็นวันพระแรมส4ส่ค่ำเดือนเจดเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระเดือนดับของเดือนเจแล้วก็วันเพนหน้าเดือนแปดเพนหน้าเนี่ยอีกจากนี้ไปสองอาทิตย์หรือสองสัปดาห์หรือสองวันพระก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็ให้พระ ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านพรรษามา ก, ก่อนที่จะจําพรรษาก่ช่วยๆกันท่องบทสาธยายเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องในการบวชตัวการเตรียมพร้อมของพวกเราถ้าหลวงพ่อไม่บอกไม่กล่าวเอาไว้พอถึงวันเข้ามาแล้วกัะนะพวกกูบาก ครูบากเก่าพระเก่าก็ลืมบอกอีกต่างหากปุณณิชูจะมาพูดถูไถกันในวันทําสังฆกรรมก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมงพระใหม่พระลูกพระหลานทั้งหลายแล้วก็ให้เตรียมพร้อมทั้งจิตใจด้วยตั้งอกตั้งใจเราเข้ามาบวชในคราวนครั้งนี้เราไม่ได้มาบวช เพื่ออย่างอื่นเรามาบวชเพื่อเป็นบมเพ็ญเพื่อสร้างกุศลผลบุญให้ตัวเองเป็นอันดับแรกอย่านั้นก็เพื่อทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณสําหรับตัวของเราเองแล้วก็ตัวผู้มีอุปกรคุณสําหรับเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอุปกรณทั้งหลาย ในครั้งพุทธกาลมีไหมาการทาบุญในการทาบุญให้ผู้มีชีวิตอยู่มีลูกทั้งหลายเขาทําบุญอุทิศเขาทําบุญให้พ่อให้แม่ของตนเองมีอยู่ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าก็ว่าทำบุญชีวสังฆทานเรียกว่าชีวผู้มีชีวิตอยู่ แต่ปูนให้ผู้มีชีวิตอยู่ท่านได้ยกมาในพระไตรปิฎกในพระธรมะรมมัตกะถ า, าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันใ น, นท่านพูดถึงปัจจุบันนักรรมกรรมในปัจจุบันพระพรทองค์ท่านพูดถึงปัจจุบันนักกรรมมีไหมแต่กรรมหนักก็มี ถ้าใครทํากรรมหนักก็จะเห็นผลในปัจจุบันนกรรมถ้าหากว่าอดีตกรรมให้ผลก็มีทํากรรมไว้ในอดีตกรรมไม่ดีไว้ในอดีตกรรมให้ผลอย่างสืบเนื่องทํากรรมไม่ดีไว้กรรมให้ผลต่อต่อต่อกันมาหลายภพหลายชาติอันนั้นก็มีแต่ปัจจุบันนกรรมทํากรรมชั่วในปัจจุบันนกรรมกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันก็มี ในขนะการทํากรรมในหลักของพระพุทธศาสนาในการทํากรรมในอดีตอันนั้นมีมากที่พระพุทธองค์พูดตรัสไว้กับพระสงฆ์ทั้งหลายแล้ว ก, กับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายและก็ในปัจจุบันนกรรมเราก็จะเห็นเป็นบางครั้งอย่างพระเจ้าสุปปพุทธะพ่อตาของพระพุทธเจ้าไปกั้น ทางเดินของพระพุทธเจ้าแต่พระโตรงก็บอกว่าพ่อตานี่แผ่นดินจะสุกอยู่ที่หน้าปันใดเพราะทำกรรมหนักในปัจจุบันนะที่ไปปิดทางพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนอื่นอีกหละนะ่ะมีไหมมีท่านพูดในพระไตรปิฎกท่านยกเรื่องนายโคคาด โกค่าก็คือคนฆ่าวัวเลี้ยงวัวมาแล้วก็ขายแล้วก็ฆ่าวัวเป็นอาชีพตั้งแต่เป็นหนุ่มจนอายุถึงห้าสิบห้าปีวัวจะตายไปเท่าไหร่แปว่าพอฆ่าเจะแล้วก็ชำแหละแล้วก็ขายแล้วก็เอาเนื้อที่ตรงเองตรงการเอาไว้ให้ภรรยาทำอาหารเลี้ยงลูก แปลว่าขาดเนื้อไม่ได้นายโคคาดเนี่ยถ้าไม่ได้กินเนื้อแปลว่ากินอาหารอย่างอื่นไม่ได้เกินเนื้อเท่านั้นกินเนื้อบัวเท่านั้นข้าเป็นอาชีพในสมัยน้อยหนุ่มจนถึงอายุห้าสิบห้าปีแต่วันหนึ่งนายโคคาดเนี่ยข้าบัวพอข่าบัวแล้วก็เอาเนื้อเนื้อลำก็คงจะเป็นเนื้อที่ ตัวเองเคยกินเอาโยนให้ภรรยาไปตัดมาให้ภรรยาภรรยาก็ได้เนื้อวัวแล้วก็เตรียมเพื่อจะทำอาหารหุงข้าวแต่ตัวเองก็ไปอาบน้ำไปอาบน้ำเพื่อจะมาทานอาหารขณะที่ไปอาบน้ำเพื่อนของเขาเพื่อนของนายโคคาดมีปู่พกเพื่อนมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านกนเลย ด่วนมาหาเพื่อนบอกเอ้ยเนื้อยังเหลือไหมเพื่อจะเอาไปเลี้ยงแขกที่มาเยี่ยมบ้านพันยาจะบอกว่ามีอยู่มีอยู่ก้อนเดียวเป็นเนื้อสําหรับเพื่อนของคุณนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังไปอาบน้ําอยู่อทางเพื่อนโ อ, อ้ยให้ผมเดี๋ผมจะไปเลี้ยงแขกแขกมาเต็มบ้านนะทางพรนยาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่า เพื่อนของคุณทนำะมาได้กินเนื้อมันกินไม่ไดเ้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกวันเดียวหนึ่งครั้งเดียวเดี๋ยวผมขอไปเถอะผมมีความจำเป็นมากที่จะเอาเนื้อไปเลี้ยงแขกคนที่มาบ้านของผมพอวาดแล้วก่นอนคงจะเอาเงินวางให้แล้วก็คงจะหยิบเนื้อไปเลยลคงจะรักษณาอย่างนั้นนะแบบขอไม่ให้ก่ เอาไปซึ่งซึ่งหน้าเลยนะ่ะถือว่าวิสาสะนะพอเอาไปเสร็จแล้วกับพันยาคนนะ่ะพงศ์จะทำํำน้ําพริกผักลวกมาให้พ่อบ้านกินนะพอพ่อบ้านมาถึงแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็เอาอาหารมาเอาไม่มีเนื้อเหรอจะไม่มีเพื่อนของคุณเอาไปเลยโดยวิสาสะเลยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจะทํำยังไงได้เข้อเอาไปแล้วโอ้ไม่ได้แล้ว ข้าไม่เคยกินอย่างนี้ถ้าขาดเนื้อไม่ได้ข้าต้องกินเนื้อเท่านั้นพอว่าท่านนั่นกน็ลงเอาถือมีดที่เฉือนเนื้อนะ่ะลงไปไปเขาไปเห็นหวัวที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อานํามาฆ่านา่าะนนอยู่ที่หลังบ้านของเขากำลังกินหญ้าอยู่พอไปถือเ้าก็มือล่วงเข้าไปในปากของมันได้พอมือล่วงเข้าไปในปาก กำลิ้นมาแล้วนะมันก็อ้าปากที่โปรกรมลิ้นมันอย่างแรงอนะ่ะประกรมก็มามีดตัดโคนลิ้นเลยพอตัดโคนนียก็ตัดเลาะออกมาเลยเฮ้แปลว่าดจลิ้นของมันเต็มกำเลยนะมาก็มายโยน์นให้พัญญาไปทำอาหารวัวตัวนั้นก็โ อ, โ, โอ้โหเลือดมันออกเออมันร้องมันไม่รู้จะเจ็บยังไง ทั้งร้องก็ไม่ออกแล้วมันเก็บมากๆตัดลิ้นของมันอ่ะทุ้นทุรไลทุลลนทุรไลผลสุดมันก็ตายเหมือนกันะนะนายโคคาดเนี่ยก็ให้พัญญาไปทําอาหารพอทําอาหารเสร็จแล้วก็ตักประมาใส่จานนี่นะฮั่นฮั่นฮั่นเป็นใส่จานพอเอาลิ้นวัวเข้าไปใส่ลิ้นตัวเองเท่านั้นน่ะพอแตะลิ้นเท่านั้นะลิ้นตัวเองขาดเลยเทน่นั้ขาดออกมาเลย นี่นปัจจุบันนกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันพอแตะเข้าไปแต่นั้นลิ้นขาดเลยนะถ้าลิ้นบัวขาดตัวเองก็ไม่รู้สึกใช่แต่พอลิ้นตัวเองขาดเท่านั้นละว่าท่นี่รู้สึกเลยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน น, ะนี่แหละปัจจุบันนกรรมกรรมให้ผลพอจากนั้นพอลิ้นขาดเท่านั้นแหละนายโคขาดก็อ้ร้องไม่เป็นเสียงคนเลยท่นี่ มันเสียงวัวเลยคานสี่ขาเลยตเลือดก็ไหลในปากอว่าจะตายได้คานไปคานมาอยู่นั่นร้องอยู่นั่นลูกเมียปิดประตูทั้งลูกนกเป็นลูกชายกำลังเป็นหนุ่มยืนดูพ่ออยู่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงยืนดูพ่อแม่ก็เลยบอกว่าลูกไปหนีไปเถอะไม่ต้องอยู่หรก เดี๋ยวบาปกรรมตัว น, นี้มันจะตามสนองมันจะถึงเจ้าอีกพ่อเจ้านะ่ะ เ, เป็นลูกให้เจ้านหนีจ้าหนีออกไปไปไกลๆนะลูกนะไม่ต้องห่วงแม่จะทำยังไงได้พ่อเจ้ามันทำสิ่งที่มันไม่ดีเห็นเห็นหนะีท่านลูกนะหนีไกลๆนะลูกชายก็ไม่รู้จะว่าจะไงเห็นพ่อป่วยแต่แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวบาปกรรม เอที่พ่อทําเนี่ยจะตกในกระหม่อมของเจ้าเจ้าต้องหนีให้ไกลแค่แค่ว่ากลัวบาปกรร ม, มพันธุกรร ม, มปฏิเนี่ยจะพันไปถึงเขาอีกไปถึงลูกอีกแม่รู้สึกว่าเป็นห่วงลูกอย่างมากแนะ่ะไม่ต้องห่วงมไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงแม่ให้หนีทางลูกชายเนี่ยกดยกมือไหว้พ่อแล้วก็กราบแม่แล้วก็ได้เครื่องที่จะเดินทางแล้วก็ เปิดเลยตรงั้นเลเปิดแหนบไปไ ป, ไปที่ไหนไปเรียนศึกษาหาวิชาความรู้เมืองตะกัศิลานะพอไปถึงเมืองตะกัศิลาทีนี้ก็ไปเรียนวิชาเกี่ยวกับตีทองเป็นช่างทองนะไปก็ไปทำเป็นช่างทอง่ช่างทองเขาก็ตีทองกับเขาพอสมควรเขาก็เอาวันหนึ่งหัวหนา้าเท่าแก่ช่างทองจะไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมพ่อแม่เขา ก็เลยให้ลูกน้องไปตีทองแทนเรานะพอกลับมามาเห็นฝีมือของลูกน้องตีทองโอ้โหไอ้นี่มันไม่แพ้เราเลยเนะีฝีมือของเขาเยี่ยมยอดเยี่ยมมากนะหนุ่มเนี่ยนะถ้าว่าเขาไปอยู่นสถานที่ใดเขาจะต้องเลี้ยงตัวได้สบายเลยนะฝีมือระดับนีนะ้จากนั้นเขาก็มอบลูกสาวให้เป็นพัญญนยะา จากั้นพ่อช่างทองตอนนี้นก็เป็นช่างทองในเมืองตะกัศิลานอะกจากนั้นก็มีลูกหลายคนลูกก็เลยเามาอยู่กรุงสวัสดีมาก็เนี่แหละเป็นล้านทองก็เลยบอกเออพ่อของเรานะี่ยพวกเรามาอยู่ที่เมืองสวัสดีกรุงสวัสดนะีเนี่ยเราก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เราไปวัดฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระอง แสดงทำให้ฟังแต่ว่าพ่อของเราเนี่ไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาไม่เคยทำบุญทำทานเชเลยเราควรจะอบอกพ่อของเรามาตะเมืองตะ ก, กัศลามาอยู่กรุงสวัส์ถีด้วยดีไหมพวกลูกทั้งหลายก็ได้ไปบอกพ่ อ, อมามาอยู่ที่กรุงสวัส์ถีกับลูกชายแต่ถึงยังไงก็ไม่มีศรัทธานะ อยู่เฉยๆไม่ได้สนใจลูกก็บอกว่าให้พ่อไปฟังเทศฟังธรรมไปรักษาศีลทางผู้พ่อเนี่ยก็ไม่มีเวลาไปวัดสู้อยู่บ้านไม่ได้ไม่ไปทางลูกทั้งเอเราจะทำยังไงจะให้พ่อของเราเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยพวกเราจะทำยังไงก็ปรึกษาปารพบกันเีลูกทั้งหลายอที่บ้านหลังใหญ่ก็ นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันที่บ้านของเราแล้วก็ให้พ่อของเรามาฟังธรรมฟังเทศด้วยฟังเทศฟังธรรมด้วย <c oughs> จะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กล่าบพระพุทธเจ้าพ่อของเราจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้สร้างปูนสร้างกุศลแต่ถ้าเขานิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระ อ, ระ อ, องค์ก็เห็นอุปนิสัยของคนกลุ่มนี้น่ะ ว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยถ้าไปจะได้สําเร็จสําสเร็จมรรคสาเร็จผลพระองค์ก็รับจากนั้นวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็เสด็จมาพร้อมกับพระสงฆ์พวกลูกทั้งหลายก็ทําบุญถวายพัทหานพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ก็กราบพระพุทธองค์ว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์กราบทูลพระพุทธองค์มารับนิมนต์ถวายพัฒฐานในคราวนี้ ถวายให้คุณพ่อครับผมอยากจะให้คุณพ่อครัผมได้ทําบุญเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อเขาทำบุญวันเกิดนะถ้าพูดอีกแนวหนึ่งนะอยากจะให้คุณพ่อได้ทําบุญทําบุญถึงผู้มียังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่านะพระพุทธองค์ก็หลับฉันพระตาหารพอฉันพระตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ่พระพุทธองค์ก็เทศอะไรเทศให้นี่ย พ่อของ น, ขนายพกคณะลูกหลานช่างทองบอกอุบาสกเธออายุมากเลยนะแก่แล้ว อ, อไม่รู้ว่ายมมาโทษจะนํำยอมไปเมื่อไหร่ไปปรโลกภายภาคนาได้เตรียมพร้อมแล้วยังจะเบี่ยงเดินทางฮะจะเบี่ยงเดินทางได้เตรียมพร้อมแล้วยังและอีกนานเท่าไหร่เราจะไปพักที่ไหนเวลาเดินทางได้คิดไว้ไหม เท่านั้นแหละท่นเอเขาก็สนุงขึ้นมาเลยทนี้เออแปลว่าคนที่มีความคิดอยู่แล้วนะเขาคิดขึ้นมาอืมชายจริงอ่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะท่านต้องเดินทางไกลนะพระองค์พระเทพจบกันท่านึ่งอ่พระองค์ก็กลับวัดเชษตะวันพอวันรุ่งขึ้นลูกชายลูกสาวนีกนวนกออ่ก็นิมนต์อีกเนียขออีกนิมนต์อีก เป็นวันที่สองโดยเทอินพระเจ้าขา่าเนพื่อจะให้เทศปูดยมพ่อพระรงพองค์ก็รับรับมาเขาในประเทศอีกวันที่สองยมพ่อของเขาได้สำเร็จจนถึงขั้นพระอนาคามีนะที่แรกพระโสดาบันแต่พระองค์เทศภูมิของพระรหันนะที่ว่าเทศภูมิพระรหันให้ฟังแต่ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเหมือนกับพระองค์เนี่ย ทำคำข้าวให้ใหญ่เท่ากับพ่อเนะ่ยแต่ว่าลูกเนี่ยมันตัวเล็กมันรับไม่ได้รับได้เท่าที่จะรับได้พ่อปากเล็กแต่ว่าธรรมเทศนาในวันนั้นอ่ะพระพุทธองค์เทศเป็นพระอราตตผลเลยเปโตรเทศอย่างสูงสุดให้พราหมคนนั้นฟังกับพร้อมลูกๆแต่พวกลูกๆ ก, กับพราหมณ์ได้สําเร็จเป็นเพียง พระอนาคามีพราไหมพระอนาคามีนั่นแหละอันนี้ก็คือพระพุทองค์ปโปรดผู้ที่ยังไม่เชื่อไม่นับถือแต่พวกลูกๆนะหลวงพ่อว่าเป็นอภิชาติตบุตรทีเดียวอภิชาติตบุตรที่ว่าบุตรเหนือพ่อแม่ให้ค้าว่ามองเห็นพ่อแม่ของตนเองไม่พร้อมที่จะถึงอัดถึงธรรมก็พยายาม นิมนต์พระพุทธเจ้ามาโปรดพ่อแม่ของตนเองอันนี้เป็นว่าอภิชาติตบุตรแต่ที่เป็นนายโคคาดเทว่าลูกชายที่หนีออกจากบ้านนั้นคล้ายๆกับว่าดูๆแล้วก็นั้นนะไม่รู้จะทำยังไงมันสุดวิสัยที่ลูกจะช่วยเหลือพ่อได้ถึงไงก็ตายแน่ๆคลานไปคลานมาอยู่นะสีขานะี่ร้องเหมือนกับวัวนะ่ อันนี้กัหนีออกไปจนไปถึงเมืองตักกศิลาเนะี่ยจากนั้นก็ได้ไปตั้งโรครากที่เมืองตักกศิลาจนมีลูกขึ้นมาหลายคนแต่ลูกทั้งหลายเนี่เป็นอภิชาติตบุตรท่นี่นับว่าเป็นผู้มีบุญทีเดียวเรื่องน้กราบปรารถนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาที่บ้านของตัวเองจากนั้นก็ได้ทําบุญให้พ่อพ่อก็ได้ทําบุญแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วย จนได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลแปบลบว่าเป็นผู้เป็นผู้ไม่ตกต่ำคุณง่ายๆคือพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ํามีแต่ก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่นอกจากพระโสดาบันลงมาแล้วแปบลบว่าผู้ไม่แน่นอนพร้อมที่จะไปตกนรกไปตกเอวเวจีมหานรกได้แต่ส่วนนายโคขาดที่ว่านะที่คลานไปคลานมา ใช้กรรมถึงเจ็ดวันนะผลในสุดพอตายไปแล้วก็นอ น, น, นไปสู่ A v G M H N R o อเวกีมหานรกเพราะเหตาุายเพราะฆ่าสัตว์มากต่อมากแต่จังน้อยหนุมจนถึงอายุห้าสิบห้าปีบัวตายไปเท่าไหร่แต่ละวันทำมหาเลี้ยงชีพนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะทำกรรมสิ่งไหนไว้ถึงจะไม่ ให้ผลในปัจจุบันพวกเราไม่ได้ทำกรรมหนักเหมือนนายโคคาดแต่กรรมปฏิติดปต่อรอ่ากรรมสั่งสมทำวันนั้นบางทาวันนี้บางเก็บสะสมไปทีละน้อยละน้อยกรรมคือการกระทําทำกรรมเข้าสู่ตัวเองกรรมนั้นก็พอกพูนเหมือนกันแต่ว่านายโคคาทเนี่ยทกรรมหนักทีเดียวเลยเพราะนั่น ท่านจึงว่ากรรมชั่วสิ่งที่มันชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่ในใจของเรากรรมชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียตั้งแต่ทีแรกอย่าไปสังสมกรรมชั่วนั้นบุญกุศลกรรมดีก็เช่นเดียวกัน กรรมดีที่เราคิดไปในทางกุศลอ่คิดในทางกุศลหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรจะส่งเสริมให้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะกุศลเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข ก, กายสุขใจเกิดพบหน้าชาติหน้ากรรมดีทั้งหลายก็จะให้ผล มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นควรทำควรคิดทำพูดให้มากในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยแหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนเน้นเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่า เพราะกรรชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังที่หลวงพ่อยกแล้วยกอีกเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านสอนให้สอนเรื่องกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นพวกเรามาคราวนี้มาอยู่ในวัดวาศาสานามาวัดอยู่วัดหลวงพ่อมาสร้างกรรมดีมาสร้างบุญมาสร้างกุศลมาเพื่อ อ, อบพรมทั้งด้านจิตใจ มาเพื่อสังสมให้เป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นโยมที่ดีเป็นคนที่ดีเมื่อความดีเข้าสู่จิตใจแล้วนั่นแหละเราอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดเราก็มีหลักจิตหลักใจเพราะเราคิดทำพูดมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นถ้าคิดพูดทำชั่วนั่นแหละกรรมชั่วจะเข้าไปตาม เหมือนกับ น, นายโคคาดในี่แหละใครจะช่วยเราได้เมื่อถึงจุดนั้นเราก็ต้องไปตามกรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้แต่บางท่านบางคนเราเห็นเอ๊ะเขาทำกรรมดีมาตลอดแต่เราเห็นมีแต่เรื่องหายณะมาลุมมาตุ่มเขามีแต่เรื่องระทมทุกข์มีแต่เรื่องไม่พึงปรารถนาเข้ามาสู่เขาเป็นเพราะอะไร ถ้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือธนว่าอดีตกำกำในอดีตของเราทํากรรมไม่ดีเอาไว้คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีในอดีต เ, เพราะนะักกรรมในอดีตจะให้ผลมาเป็นละลอกละลอกละลอกอมาถึงชาตินี้คนนั้นนะทั้งที่ตัวเองถึงจะทํากรรมดีในปัจจุบันแต่ไม่สามารถที่จะหักล้างกรรมในอดีตที่ตนเองได้ทําไว้ในอดีตได้กรรมในอดีตมาให้ผล แต่ตัวเองทำมาในปัจจุบันนี้มันไม่เสียมันดีอยู่มันก็ได้ผลเป็นคนดีอยู่แต่มันจะงอกเงยอยู่ในภพหน้าชาติหน้าแต่เดี๋ยวนี้มันสู้กรรมในอดีตไม่ได้กรรมในอดีตของเราเนี่ยมันเหนือกว่ามันให้ผลเหนือกว่ามันมาแรงกว่าเพราะตัวเองทำกรรมหนักเอาไว้อยอย่างพระโมกขรารีหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกท่านฆ่าพ่อแม่ในอดีตชาติ แต่ชาตินี้ท่านเป็นพระหรหันต์แปลว่าสูงสุดล้วในหลักของพุทธศาสนาแต่ว่ากรรมสูงสุดของพระโมคคัลลาที่บารมีสูงสุดของพระโมคคัลลายังไม่สามารถต้านทานกรรมในอดีตได้อดีตตกรรมเหนือในวิบากกายของพระโมคคัลลาต้องได้รับกรรมคือวิบากกรรมในอดีตที่ตัวเองได้ฆ่าพ่อแม่เอาไว้ในอดีต พอมาถึงชาตินี้ถึงเจ้าเองจะเป็นผู้มีตทธิ์อานาจเป็นผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่แต่ถึงยังไงพระโมคข์าก็ยังถูกฆ่าตายเพราะว่าอาดีตกรรมที่พระโมคข์าได้ทํากรรมไว้แล้วในอดีตนี่แหละคนทั้งหลายในยุคส ม, มัยนั้นเขาก็ฮือฮากันบอกว่าพระโมคข์าสร้างคุณงามความดีถึงขนาดนี้ไม่น่าจะถูกโจรฆ่าถึงขนาดนี้ ไม่น่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าพระโมคคล า, าบุตรของเราเนี่ยตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทาไว้ในอดีตเพราะตัวเองได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะนั้นการที่ทำร้ายพ่อแม่เนี่ยจัดเข้าเป็นอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมห้าอย่างมาตุกฆ่าฆ่ามารดาปิดตุกฆาาฆ่าบิดาอารหาันตะฆ่าฆ่าพระหัน โลหิตุบาตทําร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพโลหิตให้ห้อสังฆเภทยุยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักฝ่ายเป็นบาปหนักที่สุดในหลักกรรมของพระพุทธศาสนาเนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้ก็คือพูดเป็นพระสูตรให้พวกเราได้ฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพราะเราพวกเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาพบนิชาตนนิชานเดียว มีอดีตชาติมีปัจจุบันชาติมีอนาคตชาติเพราะฉะนั้นอนาคตชาติจะดีได้ก็ต้องปัจจุบันกรรมทํำดีเพราะฉนั้นเราเกิดมาพบในชาตินี้เราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้กับพวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาพวกเราก็ได้กันกลองไตรตรอง เหตุและผลที่พวกเราได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำเราก็เชื่อมั่นว่าเป็นหลักเหตุผลน่าเคารพนับถือเลื่อมใสพวกเราจะได้ลงมาปฏิบัติอยู่ในปา่ารงพงไัยอดอาหารนอนองค์เดียวแล้วก็เดินยังกรมนั่งภาวนาทำสมาธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทำแต่วันนี้ก็เถอะนะ วันนี้ก็เป็นวันพระถ้าเป็นไปได้นะเราจุดเทียนเดินจงกรมนั่งภาวนาเอาอย่างเต็มที่เอาถือเนชชชีตลอดทั้งคืนเลยจะไม่นอนคืนนี้เดินยองกรมจะนั่งภาวนาให้นานที่สุดนั่งแต่ละครั้งอย่างน้อยสองสามชั่วโมงตั้งจิตอธิษฐานเอาสิคืนนี้ไม่ใช่เอาทุกคืนเอาคืนเฉพาะวันพระนี่แหละ อยากจะให้พวกเราภาวนาเอาจริงจังเราจริงจังกับอย่างอื่นเราจริงจังแต่เรื่องภาวนาเนะี่ยอยากจะให้พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายจริงจังตั้งจิตอธิษฐานแต่อย่าไปคุยกันคืนนี้งดปิดวาจาไม่ต้องพูดคุยกันถึงอ ย, อยู่ใกล้กันไปภาวนา ด, ด้วยกันไปนั่งอยู่กันไม่ต้องพูดกันวันนี้ให้ดูใจตัวเองอยู่ตลอดให้นั่งภาวนาเดินยกมเสร็จแล้วนั่งพ น, นั่งเหนื่อย นั่งสัก3ามชั่วโมงลงไปเดินเดินสักสองชั่วโมงเอาอขึ้นมานั่งนั่งเสรแล้วลงไปเดินเอามันสว่างเป็นยังไงทดลองดูสิเนี่ยการภาวนาอยากจะให้มีหนักมีเบาไม่ใช่ว่าเราทำแต่ละวันละวันแต่ละวีละวั น, วววนไม่มีหนักมีเบาอันนั้นไม่น่าจะถูกอันนั้นขอให้พวกเรานะการภาวนาทำยังไง ผู้ที่ไม่เคยผู้ที่เข้ามาใหม่เราก็กราบผ้าเสะก่อนขึ้นไปที่นอนของเราหมอนอยู่ทางไหนเราก็ใส่ชุดให้เรียบร้อยเสื้อผ้าให้เรียบร้อยมีผ้า ม, มีเสื้อแต่งชุดให้เรียบร้อยจากนั้นก็กราบไปทางหมอนเราไม่มีประพุทธโลกก็ได้แต่มีประพุทธโูกก็ได้ไม่มีประพุทธโูกก็ไม่เป็นไร เรากล่าบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสจบกราบครั้งหนึ่งพุทโธกราบครั้งที่สองธรรมโมกราบครั้งที่สสังโฆแล้วประนมมือขึ้นบนศีรษะนิพพานังข้าไปเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราบเพื่อเล่นไม่ได้กราบเพื่ออย่างอื่นไม่ได้กราบเพื่อเป็นพิธี เรากลาเพื่อหวังพระนิพพานฮ ะ, ะเพราะว่าเรามาทั้งทีขนาดนี้จะมาเล่นๆได้ยังไงเราหวังพระนิพพานคือการไม่มาเวียนไหวตายเกิดเราต้องการทรมันสูงสุดของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็ไหว้ผ่านอารหังสมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขวันตังอภิวัตเทมิกลาบ กราบพระพุทธเจ้าแล้ก็สวาขาโตัวพระกวัตาธโมทำ ม, มังน้ำภาษามิกราบกราบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสุปฏิปโนโพระคาวตัวสาวกัสังโคสังขังหนา ม, ามิกราบกราบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจากนคณะโมตัดสาพระคาวตัวอรหตัตตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมจบระวัณโมสามจบคือกล่าวพระพุทธเจ้าคือต้นศาสนาต้นพระศาสนาคือต้นพระธรรมคําสอนที่พวกเราได้นํามาประพฤติธปฏิบัตินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราจึงวานโมสมจบจากพรพุทธัง สารนางคฉามิธรรมังสารนางคฉามิสังขังสารนางคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเรานี่ยแล้วก็ดุติยามปีพุทธังธรรมังสังขงังสารนางคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองยึดว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ตาติยามปีพุทธังธรรมังสังขัง สารนังขจ า, ามิข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สามจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็แผ่เมตตาในใจเท่นี้ใครจะได้มากขนาดไหนก็สุดแท้แต่นะสวดเท่าที่จะได้มากก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ได้เพียงแค่นี้ก็ตองก็ถูกต้องละดีละจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตานี่อาหารสุกิโตมิเราจะพูดอย่างนั้นก็ได้ ถ้าเราได้นะทำไม่ได้คำว่าข้าพระเจ้าจงเป็นสุขะเป็นภาษาใจเลยนะข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพระเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณอ่ทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเถิดนะ้ข่าวบา เราไม่ได้ผูกอาคาดพยาบาทจองเวรกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจกกักรวาลเรามีเมตตาต่อดวงวิญญาณถึงท่านเหล่านั้นแผ่ เ, เมตตาเสร็จแล้วก็นั่งแล้วหน น, นั่งเหมือนพระพุทธรูปขาขวาทับขาซ้ายนะพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราปรนมมือขึ้นระหว่างกกซะก่อนนะปนมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพุทธโธ ธรรมโมสังโฆพุทธโธธ ร, รรมโมสังโฆพุทธโธธ ร, รรมโมสังโฆสามจบคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็เอามือลงเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วก็เราจะแผ่เมตตาอีกรอบหนึ่งก็ยังได้บอข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาทุกทดวงวิญญาณด้วยเถิด อันนี้คล้ายๆว่าทําจิตใจให้อ่อนน้อมอ่อมตนไม่ได้มีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทางหมดในจกักรวาลนะไอ้คล้าว่าเราเป็นพิษเป็นสหายอาจากนั้นก็เอามือลงแล้วกับกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโท พ, โ พ, โพโุทโทพุทโทอะไรตันะ แต่จะไปแต่งลมนะจะไปหายใจแบบูดฟาดฟืดฟาฟดฟาไม่เอาหายใจตามปกติหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าพดหายใจออกรู้วหายใจออกโทรนะไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องตามลมเข้ามาในปอดเพียงแต่ว่าเรายืนเอาสติจับยึดที่ปลายจมูกและข้างจมูกพอลมเข้ามาเราก็รู้ว่าลมเข้าบริกรรมพดพอลมผ่านออกไป เราก็บริกรรมโทตอนนั้นแหละไม่ต้องตามลมออกไปไม่ต้องตามลมเข้ามาแล้วไม่ต้องแต่งลมฮะถ้าแต่งลมฟูดฟาดฟืดฟาดนะไม่ได้ไม่ถูกเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูนะคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้นะแต่บางท่านบางคนมันจับไม่ได้ครับมันไม่รู้จะจับยังไงก็หายใจแรงๆนะหลวงพ่อแนะนําหายใจแรงๆหายใจฟืดแรง ๆ, ๆ, ๆก็แทกออกไปฟืด ลมกระทบที่ไหนในเมื่อลมกระทบที่ไหนก็เอาสติจับอยู่ตรงนั้นแ่ะทีนี้หายใจค่อยค่อยค่อยตามปกติหายใจจนปกติอะไรก็หายใจเข้าพุทไม่ต้องส่งไปที่อื่นถ้ามันเผลอมันไปที่นี้กลับมาที่เก่าอีกถ้ามันเผลอไปที่นี้บังคับมาอยู่ด้วตั้งสติให้แข็งขึ้นเอไม่ต้องพิงฝาไม่ต้องพิงหมอนนั่งให้ต้งตรงบังคับ มันจะเจ็บปวดไม่ต้องสนใจมันอดเราสู้อย่างอื่นเรายัางสู้ได้เราเล่นกีฬาเหนื่อยกว่านี้เรายัางสู้ได้อันนี้มันเพียงแค่นี้เองมันไม่ถึงตายหรอกอดเพียงแค่นี้นั่งทําให้ถึงกําหนดไม่ออก2องสมสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงกับว่ากันไป น, นี่แหละพิธีการสู้กับทุกเวทนาหลวงพ่อมันหายไหมมานั่งภาวนาเขาว่ามันหายหายจากการเจ็บปวดใช่หายได้ถ้าจิตใจของเรารวมสงบ ไม่รับรู้ทางกายแต่กายหายไปนอะมันจะปวดได้ที่ไหนเพราะมันจิตมันรวมมันจะสงบนอะมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะอันนี้หลวงพ่อไม่อยากจะบรรยายไปถึงจุดนั้นนะเพียงแต่บรรยายเป็นเบื้องต้นซะก่อนกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทได้กําหนดนั่งสามชั่วโมงแล้วเออเอาไปเดินเดินทํายังไงเดินแต่จุดเทียนให้มองเห็นได้เราจะถอดรองเท้าก็ได้ เราจะใส่รองเท้าก็ได้แต่ท่านเดินนานถอดรองเท้าดีกว่ามันจะไม่ดังตอกตอกแตกๆไงจุดเทียนให้สว่างให้มองเห็นได้มเมลียงป่องเรลยงปอง่งองตงหงตะครับให้เห็นได้ให้เห็นได้ชัดจากนั้นเราก็ปนมมือที่สุดทางจงกลมปนมือขึ้นระหว่างออโอภุดโธธรรมโมสังโฆภุดโธธรรมโมเพราะว่าการเดินยังกรมนี่ก็คือพระพุธทธเจ้าเป็นผู้สอนพระสงค์เป็นผู้นํามาสอนพวกเราอีก วันนัเราจึงไหว้ครูโอธโม ส, สังโคซะก่อนอาจากนั้นก็เอามือลงเอามือประสานที่ท้องน้อยอย่าไปไกวแขนอย่าไปมือขัดหลังอย่าไปมือกอดอกเอามือประสานที่ท้องน้อยอมือขวาทับมือซ้ายประสานแบบนี้แปลว่าท่าลำพึงท่าสัมรวมท่าลำพึงหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ไกวแขนขาดความเคารพไม่ให้กอดอกคือขนเจ้าทุกเอามือขัดหลังเหมือนกับท่า น, นักเลงท่านว่าน ถ้าธรรมะผู sheep, ้ซำรวมคือมือประสานที่ท้องเห็นลคือในคนนี้คือเดินยองกลบและขาขวาพุทธขาซ้ายโถไม่ต้องเดินช้าเดินตามปกติเหมือนกับเราเดินทั่วไปเนี่ยขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทธโถพุทโถพุทโถเดินให้นานแต่ละครั้งสองสามชั่วโมงเดินให้นานเอาจนเหนื่อยพอเหนื่อยขึ้นมาขึ้นมาอีกกลาบพระอีก กับพุทธโธธรรมสังโคละกันิพพานังแล้วก็นั่งขัดสมาธิต่ออีกเราก็กําหนดลมหายใจในขณะที่เดินเรากําหนดขาใช่ไหมก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโถเวลาก้กาวลงดินพุทขาขวาขาซ้ายโธพุทธโธนะแต่เวลาเรานั่งเรานิ่งใช่ไหมมีแต่ลมหายใจเข้าออกมันเที่ยวอยู่ในจมูกของเราเราก็กําหนดลมหายใจเขา้าพุทหายใจออกโธพุท โพูดพนะูดวิธีการปฏิบัตินะลูกหลานทาั้งหลายผู้ที่ยังไม่เคยมีผู้ที่เคยแล้วหลวงพ่อเคยเล่าแะ้วให้ฟังมากก่มากแลอันนี้หลวงพ่อพูดพูดที่ยังไม่เคยก็มีมาสู่วัดของเราเราจะไปพูดแต่เรื่องที่อย่างอื่นก็ไม่ได้นานๆจะย้อนกลับมาพูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นเีกนี่แหละอันนี้ก็คือวัดวาศาสนา เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับเราเลี้ยงลูกนะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาน้ํานมหยอดปากฮอไม่ต้องเอาข้าวต้มให้กินอย่างกินอย่างอื่นได้ฮแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่เลยทํายังไงละ่ะไปเอาพริกเอาเขือเอาอะไรเอาผักให้กินให้กินได้เลยเด็กฮอเราก็ต้องป้อนข้าวต้มให้กินก่อนฮะเผื่อมันจะใหญ่ผัวใหญ่ขึ้นมาเลยครับรู้เรื่อง เรื่องเราการอยู่กินน ะ, ะเอาปล่อยไปนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างนี้แหละคณะทายาทโยมลูกหลานต่อนนี้ไปก็นั่งขัสมาธ น, นินีนะแล้วก็โลวงพ่อจะกลับไปที่พักก่อนนะแลใลูกหลานนั่งสมาธิให้อาจารย์หน่อยพานั่งสมาธิพอนั่งเสร็จแล้วเน่กลับไปกุฏิจนั่งภาวนา อย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวก็ได้นะลูกหลานนะเร่งความภากความเพียรมีตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่ว่านะเออข้าพเจ้าขอหมอกกายถาวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีต่อเหตุผลต่อหลักเหตุผลฮจิตใจของเราต้องมั่นคงอย่างนั้นนะจะไปทําอะไรหลอเลาะเลยแหลอถ้ารล่อเลาะลยแหละมันไม่เห็นอะไรหรอกมีแต่เรื่องทุกข์ น, นั่นนะเพราะนั้นจิตใจให้มั่นคงเออมั่นคง ยึดพพุระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนั่นละ่ะพวกเราจะได้รับความสุขความเจริญทั้งทา ง, งด้านจิตใจมีความสุขกายสบายใจลึกๆทีเดียวะจิตใจที่มีหลักเหตุผลนะต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะทึนี่นะ